อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพนันธ์นํารายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะชุดเช้าที่เราเปิดสถานีก็จะนํารายการธรรมา ร, ร, รมับอรุณซึ่งเป็นรายการที่เมื่อท่านผู้ฟังตามรับฟังแล้วจะเป็นการรับอรุณที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะแล้วหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการของรายการธรม ร, ร, รมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คงจะทราบกันละคะว่า ถ้าท่านติดตามรับฟังรายการธรรมรัปรุณเป็นประจำแล้วเนี่ยท่านจะสังเกตตัวเองได้เลยนะคะว่าจิตใจของเรานั้นเนี่ยจะมีสติแล้วก็มีความสงบสามารถปล่อยวางได้อย่างดียิ่งเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะเพราะว่าตัวท่านเองแม้ว่าจะได้มีโอกาสที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในเรื่องของการที่จะสนทนาธรรม กับท่านพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนโองค์ปาถกประจํารายการของเราซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์พุ่มในการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเล้นตามพุทธวจนะหรือว่าปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นเนี่ยแม้ว่าจะได้มีบุญนะคะที่จะได้มาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังเนี่ยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์ก็ตามแต่ตัวเดนเองก็ยังรู้สึกเลยว่าตัวเองนั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากรายการนี้มากเหลือเกินแล้วก็ จากการตามฟังในวันธรรมดาที่ท่านพระอาจารย์ประดุลพิพุโนโได้เมษาที่จะมาชี้แจงแสดงธรรมในสิ่งที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้า ว, วันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนะคะวันเสาร์ที่7จ็ดเมษายนค่ะวันนี้เป็นวันแรมหน่ําเดือน5ปีมะโรงนะคะอ่าก็คิดว่าอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมรดการ พบกับท่านพระอาจารย์ไทรลุญอภิปุโนพระอาจารย์ประจํารายการของเราเลยนะคะท่านเป็นผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามพุทธวจนะของวดัดาดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะจึงก็วัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดพิโตภาสูหรือท่านพระครูสิษย์ิพภะกรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะกลับนมัพการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชี่พานสาธุเจ้าค่ะ เราพบกันในเช้าวันนี้โยมอยากจะขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะมาฟังพระอาจารย์ได้สนทนาธรรมหรือชากคช้าเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยสนทนากันมาก่อนนะเจ้าค่ะเรื่องของตัณหาใช่เจ้าค่ะเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนั้นเราได้พูดถึงความแตกต่างของตัณหาคือความอยากใช่ไหมกับเจ้าตัวชันทะที่เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยากแล้วเราจะตั้งเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ไหม นะหรือว่าถ้าเราจะทํายังไงจะหาสมุดุนแห่งธรรมตรงนี้เราได้พูดประเด็นนี้กันไปแล้ว <Okay. S 1> นะเราก็เลยใช้ใช้คําพูดให้ถูกต้องตามบทเพียนชนะนิดหนึ่งจึงใช้คําว่าตันหาเพราะคําว่าอยากในภาษาไทยนี่มันกินความกว้างมาก <Okay. S 1> นะเราก็จะพูดเฉพาะเจาะจงถึงเรื่องที่ถ้าความอยากชนิดที่ไม่ดีก็คือตันหานะความอยากชนิดที่ดีก็เป็นฉันทะที่เป็นเป็นมัก <Okay. S 1> เป็นทางให้พ้นทุกข์กรนี้ก็มี ทีนี้ก็จะมีประเด็นที่เพิ่มเติมจากเรื่องนั้นเ<ม>กี่ยวกับเรื่องที่ว่าอ า, อาหารการกินเนี่ยคือบางทีิตรงเนี้ยอากมาพ บ, พบในตัวเองนะว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราก็ก็อยากกินอาหารที่ที่เราชอบเหมือนกันนะ <Okay. S 2> คืออย่างสมมติเราเอาร่างกายเราถูกท้ายกับอาหารชนิดนี้เราก็อยากกินอาหารชนิดนี้มันมันจะได้ดับความรู้สึกเวเนาของเราได้ แนะทําไมบางทีเราอยากกินอาหารแบบนี้เราไม่อยากกินอาหารอย่างนั้นไอ้พวกนี้เป็นตันหาด้วยไหมแล้วในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างไรถึงจะจะถูกต้องเราจะกินอาหารอย่างไรไม่ให้มีปัญหาอันนี้จะพูดถึงเรื่องของคนอ้วนด้วยนะคุณจะแก้ปัญหารเรื่องความอ้วนของคุณยังไงใช้ธรรมะในยังไงจึงจะทําให้ลดความอ้วนได้เงี้ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับตัวโยมเจ้ค่ะอันนี้ตัวอะก็ก็ พบได้ด้วยตัวเองคือก่อนที่เราจะมาบวชเนี่ย เ, เราน้ําหนักเยอะอยู่เหมือนกันพอมาบวชแล้วเราก็ลดลงไปอีกสิบกิโลเพราะว่าการที่พอเราพิจารณาตามคําสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยเราพบว่าเอะเราไม่เป็นไปตามาธาตุของปากคือสมัยก่อนเนี่ยจะมาตื่นขึ้นมาแล้วเป็นคารวาสเนี่ยนะอยขอ ป, ประนามความผิดตัวเองนิดนึงเ <laughs> ราตื่นขึ้นมา เ, เราจะแจ็บปากวันนี้จะกินอะไรดี อ๋อเดี๋ยวค่ะความเ อ, อ่อนึกถึงเรื่องกินก่อนเลยยังไม่ไแต่งฟันเลยคุณเดินใจค่ะก็นึกถึงว่าเอ้ฉันจะกินอะไรดีห้าอะไรใส่ปากใส่ทองดี <Okay. S 2> นะเรื่องปากเรื่องท้องนี่มันสําคัญมากเลยสาหรับคนเนี่ยคือที่เรามาทํางานทุกวันนี้ที่คุณไปทํางานคุณเบเรียนหนังสือก็เรื่องปากเรื่องทองนะ <Okay. S 2> เพราะว่าเรื่องปากเรื่องท้องคุณถึงทําไปพวกนี้นะ <Okay. S 2> นึกหอกปล่าไหม มันทุกอย่างเราถูกขับดันด้วยปากด้วยท้องนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะไหลเข้าปากเราเนี่ยเราจะหยิบอะไรเข้าปากเราเนี่ยเราจะพิจารณาไงทําจิตยังไงเราจะมาคุยกันในวันนี้เรื่องนี้นะคือพูดถึงในเบื้องต้นนิดหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็เป็นไปตามอํานาจของปากนะคือปากเราพาไปทางไหนเราไปทางนั้นนะสมมุติว่าจ็บเปากเราวันนี้อยากกินต้มกระดูกหมูนะก็ไปเลยกระดูกหมูที่ไหนตามมันไปกินต่อให้ไกลถึงไหนก็ขับรถไปกินนะไปอย่างนั้น ทีนี้พอมาบวชแล้วทํายังไงแทงนที่จะเป็นไปอำนาจปากใช่ไหมก็ไปเป็นตามอํานาจของของการปฏิบัติแทนนะไปเป็นตามอํานาจของศีล น, นะ <Okay. S 1> ก็มีอะไรก็กินตามนั้นนะกินพอประมาณกินพอเื่อที่จะประทังชีวิตได้ <Okay. S 1> นะทีนี้จะไล่ไปเป็นประเด็นประเด็นก่อนนะคือเรื่องของความอยากที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์นู้นเนี่ยนะผู้ช บ, บอกว่าความอยากเนี่ยคือตัณหาเอาพูดถึงตัณหาที่ไม่ดีนะคือตัณหาเนี่ยเป็นความกําหนัด นะเป็นไปกับด้วยความเพลินเพลินในอะไรเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีอะไรบ้างตันหาในอะไรบ้างตันหาในกามนะคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนะสิ่งที่เป็นเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เรียกว่ากามนะถ้าเราเพลิดเพลินในสิ่งนี้ก็คือกามะตันห า, นะาลิ้นเนี่ย ค, ค, คือเรื่องรสชาติอาหารนะมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณตนใจเพราะว่า เราไปทํางานนี้ก็ปากท้องนะคือลิ้นนั่นเองนะเราขวนขวายที่จะมีนั่นจะมีนี่ก็เพื่อปากเพื่อท้องทั้งนั้นเลยพระเจ้าเคยพูดถึงว่าการที่ เ, เขาแย่งสงครามกันลบกันการที่พ่อแม่ทะเละาะกันลูกทะเละาะกันคนทั้งหลายทะเลาะกันนี่ก็เพราะว่าเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องของกามนั่นเองก็ไก่สลามมอมะนะมันจะมันจะเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตรงนี้ ทีนี้ว่าทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกวับระบบการทํางานของจิตตรงนี้นิดหนึงก่อนนะคิดว่าถ้าท่านฟังเข้าใจตรงนี้แล้วจะทําให้การวิเคราะห์สถานการณ์เราเป็นไปได้ง่ายๆมากขึ้นนะอย่างสมมติว่าพูดถึงอาหารจานหนึ่งมาแล้วเอาอาหารที่เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบสักชนิดหนึงมาเสร็จปุ๊บเราเห็นอาหารเนี่ยเราจะมีผัสสะทางตานะพอมีผัสสะทางตาเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าสแสงมันกระทบวัตถุเนี่ยมันกรสับกระสะนเข้าตาเรา แม้ตาเราเนี่ยก็เป็นจุดที่รับผัสสารับสัมผัสต่ตางๆนะพอเกิดผัสสารแล้วเนี่ยจิตมันก็จะมี3อย่างเกิดขึ้นนะสอย่างเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะมี เ, เวทนาคือความรู้สึกอันนี้อันที่1 ห, หรือว่าจะมีอย่างที่2นะคืออย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้หรือ3อย่างก็ได้นะอย่างที่สองนี่ก็คื อ, อสัญญาคือความหมายรู้นะหมายรู้แล้วอย่างที่3มก็คือเจตนาคือความอาตอบสนอง เวทนาคืออะไรคือความรู้สึกในที่เราชอบไม่ชอบหรือว่าทั้งที่ชอบและไม่ชอบเราจะชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่อันนี้อันที่หนึ่งความหมายรู้อย่างเช่นว่าอะไรสมมุติเราเห็นอาหารจานหนึ่งยกมาอ๋ออันนี้ข้าวขาหมูข้าวขาหมูเนี่ยคือความหมายรู้คือสัญญาว่าคุณรู้ว่าอันนี้ข้าวขาหมูเอาไปดูใกล้ๆอ๋อมันข้าหมูแดงไม่ใช่ข้าวขาหมูก็ไอสัญญาเราก็เปลี่ยนไปละเปลี่ยนจากข้าวขาหมูเป็นข้าหมูแดงเป็นต้นนะเพราะผัสสะที่มันเปลี่ยนแปลงไปทําให้สัญญาเปลี่ยนแปลงไป นี่ข้าวขาหมูนี่เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งเพราะฉั้นคนอังกฤษเนี่ยก็จะมีความหมายรู้ทา ง, งชื่อชื่อนี้ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งไปจะไม่เหมือนกันนี่เข้าใจนะนี่ในเบื้องต้นนี่เข้าใจอย่างนี้อาจทีนี้พออจุดที่มันจะเกิดตัณหาเนี่ยคือหลังจากที่เรามีความรู้สึกพอเราเห็นข้าวขาหมูหรือว่าข้าวหมูแดงว่าไม่ชอบอันนี้ฉันไม่ชอบกินเลยนะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบละความรู้สึกที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเป็นเวทนา เป็นเวทนาคือความรู้สึกนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าอ้าวนี่มันนี่มันปลาท้องโกกับน้ำเต้าหู้แหมชอบของชอบชาวเช้ายี่ชอบนะนะก็นะจะมีความรู้สึกชอบไอ้ชอบตรงนี้เป็นเวทนานีเป็นเวทนาทีนี้ว่าคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเห็นอาหารแล้วชอบไม่ชอบมีเป็นไหมเป็นนะคือนะพระอรหันต์บางรูปเนี่ยยังมีเวทนาอยู่นะท่านก็จะมีความชอบหรือความไม่ชอบในอาหารบางอย่างแล้วก็ไม่ชอบในอาหารบางอย่างนะเป็น นะคือคนเราก็เป็นทั้งนั้นน่ะคือเราก็ไม่ได้ชอบกินทุกอย่างนะเราก็ไม่ใช่ว่ากินอะไรได้ทุกอย่างะนะทุกคนก็เป็นหมดทีนี้ไอ้ความนิสัยตรงนี้นะมันมันจะยังมีอยู่ในพระอาารรา์ทั้งหลายด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าท่านก็ยังละวาสนาไม่ได้นะชอบไม่ชอบแล้วไงาาต่อนะเพราะนั้นก็จะกินลัทีนี้พอจะเอาอาหารเหล่านั้นใส่ปากเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาใส่ปากเนี่ยเขาก็จะไปมีความารู้สึกทางลิ้น นะายเขาเรียกว่ารุ่มหลงเพลิดเพลินเลยโหอร่อยอย่างนี้แมแล้วชั่นเป็นอย่างนี้แหมเหมือนกับร้านนี้เลยที่เคยไปกินมาอะไรแบบนไล่ไปเต็มที่เลยนะ <Okay. S 1> จิตของเราจะฟุ้งไปเต็มที่เราต้องกินข้าวเลยนะคุณเตใจใช่ค่ะยิ่งไปกินที่ร้านด้วยโอโ้โหมีเพลงด้วยมีคนคุยด้วยข้าวในป่าแล้วก็พูดไปเต็มที่เลยอย่างนี้นะ <Okay. S 1> ก็เป็นอย่างนั้นไปนะอันนี้คือคืนธรรมดาทั่วไปในทีนี้ในกรณีของของพระอาหารต์หรือว่าพระที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ย พระเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้ว่าอาหารการกินที่กินเข้าไปเนี่ยรับประทานเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อมัวเมานะคือการที่เราไปกินแบบเฮฮานี้เพื่อมัวเมาละคือคุณมัวเมาไปตามการเขาเรียกว่าการการสัญญาการสัมผัส ท, ทางกามที่เกิดขึ้นทางลิ้น นะคือคือไปกินตามร้านอาหารเนี่ยมีทั้งเสียงดนตรีใช่ไหมเสียงคือหูใช่ไหมมีทั้งภาพมีวิดีโอจัดฉากร้านอย่างสวยงามแนะบางทีงเขาเอากลิ่นเครื่องหอมอะไรมาจุด ด, ด้วยมีทั้งกลิ่นด้วยอาหารด้วยลิ้นด้วยโอ้โหมีทุกอย่างเปิดแอร์เย็นเฉีย บ, บเลยตาหูจมูก<ส>ล<ำ>ิ้นกายมันมันเอาเราหมดเลยถูกเราถูกล็อกไว้หมดเลยนะก็ถูกกามเคี้ยวกินอยู่แต่ทีนี้อย่างพระพุทธเจ้าให้ทำอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่า รับประทานอาหารเนี่ยไม่ให้รับประทานเพื่อมัวเมานะไม่รับประทานเพื่อเล่นไม่รับประทานเพื่อมัวเมาเพื่อเล่นเพื่อที่จะแต่กินเนี่ยเพื่อให้ที่จะประทังเวทนาระงับเวทนาเก่านะไม่ทําให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเพราะนั้นเวลาเราจะรับประทานอาหารเนี่ยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็คือดูที่เวทนาคือความรู้สึกในในจิตของเรานะคือแทนที่จะรับรู้ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบที่ลิ้น นะคือลิ้นเราแต่งอาหารเราจะชอบเลยนะของที่ชอบนี่ก็ตักหลายๆคําหน่อยนะของที่ไม่ชอบก็ไม่เอาหรือตักแค่คําเดียวนิดเดียวอย่างนี้แต่ให้เรามาดูความรู้สึกคือเวทนาที่เกิดขึ้นที่กายนะไม่ใช่เวทนาที่เกิดขึ้นที่ลิ้นมันต่างกันยังไงสมมติาาว่าเราเราอย่างพระสงฆ์เนี่ยคุณจะใจเวลารับประทานอาหารไปเนี่ยนะพระสงฆ์จะต้องพิจารณาอาหารก่อนนะถ้าไม่พิจารณาอาหารก่อนนี่ก็จะเป็นความผิดนะ เวลาเรากินข้าวเนี่ยคุณไม่พิจารณาหารกอนว่าเรากินไม่กินเพื่ออะไรไม่กินเพื่อมัวเมานะไม่กินเพื่อประดับไม่กินเพื่อตกแต่งแต่กินเพื่อให้กายนี้แค่ตั้งอยู่ได้เพื่อที่ขจัดเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเ <Okay. S 1> วทนาเก่าตรงนี้ก็คือความความหิวบางทีมันหิวนะคุณ <Okay. S 1> จึงต้องกินแล้วเวทนาใหม่เนี่ยก็คือความอิ่มจนอึดอัดเวทนาเก่าตรงนี้คือความรู้สึกเนี่ยอย่างความหิวจริงๆแล้วเป็นสัญญา ความพอมีความหิวเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะชอบหรือเราอาจจะไม่ชอบนี่อีกเรื่องหนึ่งคืออย่างสมมติว่าเรามีผัดสากเกิดขึ้นที่แขนอย่างเงี้ยซึ๊ดซึ๊ดซึ๊ดซึ๊ดเกิดขึ้นที่แขนอันนี้มันอาการเจ็บบางคนก็ชอบเจ็บบางคนไม่ชอบเจ็บเป็นนะนึกออกไว้คนชอบเจ็บเจ็บก็มีนะคนที่แบบซาดิสซาดิสนิดนึงเขาชอบชอบเจ็บเจ็บแต่คนที่ไม่ชอบเจ็บก็มีแล้ะหรือคนที่เปรี้ยวอย่างเงี้ยเปรี้ยวแล้วชอบบางคนเปรี้ยวแล้วไม่ชอบเลย <im itation> อย่างอย่างทุเรียนเป็นต้นอะทุเรียนเป็นอาหารที่ถ้าคนชอบก็คือชอบไปเลยถ้าคนที่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบมากๆไปเลยทั้งทั้งๆที่รสชาติมันก็เหมือนกัน <im itation> อย่างเนยอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนจีนนี่เขาจะไม่ชอบกินมากเลยแต่ถ้าฝรั่งนี่เขาเขาชอบมาก <im itation> หรือไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมานี่ตรงกันข้าวเลยคนจีนนี่ชอบมากเลยแต่คนฝรั่งนี่โอ้ยอะไรของของเน่าของเหม็นก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะตรงข้าวกันเลยทั้งทั้ที่ภาษาก็ภาษาเดียวกัน แต่แต่คุณมีความหมายรู้ในภาษะนั้นไม่เหมือนกันไงทาให้เวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกัน <Okay. S 1> นะคือท่านฟังต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้จะจะสำคัญมากในการที่เราจะมาวิเคราะห์ในสิ่งที่จะคุยคุยกันในวันพรุ่งนี้นะคือเรื่องของการเสพติดชัวค่ะอตอนนี้นพร<า>เขาขายอยู่ในสังคมมากขณะนี้นะจ๊ะอืมใชเ่เรามาทําความเข้าใจเรื่องอาหารที่ผ่านผ่านเข้าปากเราผ่านในท้องเราอยู่ตลอดเวลาก่อนนะทีนี้พอพระพิจารณาเนี่ย พระสงเวลาพิจารณาหรือหรือท่านผู้ฟงังอ่ะเวลากินเนี่ยนะควรจะต้องพิจารณาด้วยว่าอาหารที่เรากินเนี่ยไม่ใช่เพื่อเล่นพเพื่อโมเมาไม่ใช่เพื่อประดับเพื่อตกแต่งแต่กินเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เท่านั้นเองตั้งอยู่ได้นี่หมายความว่าไงหมายความว่าไอตัวเราเนี่ยนะจิตใจมันมันมีประกอบด้วยธาตุต่างๆทั้ง4ี่ธาตุธาตุดิานธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาลมใช่ <Okay. S 1> ไหมโอเคไออย่างอย่างคนบางคนคนอีสานอย่างเงี้ยเขาก็กินข้าวเหนียวมาตั้งแต่เกิดแล้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องชอบกินข้าวเหนียว ไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอให้เขามีข้าวเหนียวเ้าก็กินข้าวเหนียวได้นะ <Okay. S 1> แต่อธตมาเป็นคนกรุงเทพยอย่างเงี้ยเราก็กินข้าวสวยมาตั้งแต่เกิดเพราะฉนั้นเรามีข้าวเหนียวเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยคือเท่าไหร่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่ <Okay. S 1> ชอบตรงเนี้ยหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่ถูกธาตุเรา <Okay. S 1> คือคือคุณชอบหรือไม่ชอบตรงนี้เป็นเวทนานะเวทนาตรงนี้จะเกิดหรือจะดับไปอยู่ที่ผัสสะทีนี้เวลาอาหารเข้าไปในท้องเข้าไปในปากเราเนี่ย สมมติว่าอาตมาชอบอาหารชนิดหนึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีผัสสะแบบหนึ่งเกิดขึ้นผัสสะตรงนี้แหละจะทําให้เวทนาบางอย่างดับไปเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นมาเข <Okay. S 1> ้าใจไหมคือสมมุติว่าถ้าอาตมาอยากกินช็อกโกแลตอย่างเงี้ยถ้าเราได้กินช็อกโกแลตเราจะาหายอยากไปหลายๆวันหน่อย <Okay. S 1> หรือบางคนอยากกินกว๋วยเตี๋ยววันนี้คุณไปเกี่ยวกินกว๋วยเตี๋ยวเต็มที่เลยสาชามเลยคุณแล้วคุณก็ไม่อยากกินกว๋วยเตี๋ยวไปอีกอาทิตย์หนึ่ง เป็นอย่างไง้นไม่คุณจะใจเป็นอย่างนั้นไหมเจ้าค่ะอาจจะเป็นบางครั้นงนะเจ้าค่ะหรื อ, รอเรา<ย>ทานคนที่ทานซ้ํซซซาๆๆๆจนกระทั่งเบื่อไปเองเบื่อไปเองใช่เพราะว่าเวทนาคือความอาชอบหรือความไม่ชอบในสิ่งนั้นเนี่ยมันมัน ล, ลดไปมันหายไปความชอบในสิ่งนั้นมันดับไปมันดับไปเพราะอะไรเพราะผัสสะมันดับไปเข้าใจไหมคือผัสสะคือความอยากผัสสะเนี่ยคืออาการอย่างหนึ่งสมมุติเราไม่ได้กินข้าวเนี่ยนะมันจะมีซึซึซๆเกิดขึ้นในตัวเรา ไอ้ซึซึซึซคือ ผ, ผัส ผ, ผ, ผ, ผสะนี่เกิดขึ้นมาในตัวเราเนี่ยมันจะแปลเป็นเวทนาที่ว่าฉันอยากข้าวท่านี้พอเรอาไปกินข้าวมากจกนกระทั่งไอ้เวทนาไอ้ ผ, ผัสสะตรงนี้มันดับไปแล้วเนี่ยไอ้เวทนานั้นก็ดับไปด้วยเขาเข้าใจนะนี่คือกรณีของคนที่บางทีอยากกินอะไรแล้วมันต้องได้กินได้กินแล้วมันก็จะคลายคลา ย, ลายโรคไปได้เหมือนกันเรื่องนี้มีในสมัยพุทธกาลอย่างพระสารีบุตรตอนนั้นป่วยเป็นโรคท้องเสียหรือว่าปวดในท้องอะไรประมาณเนี้ยนะ ท่านพระหมหาโมคละนาก็เลยถามว่าเอา้าเป็นอย่างนี้จะแก้ยังไงท่านภาษาดิบุตรก็เคยพูดให้ทราบว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยคุณแม่จะทำอาหารที่เป็นเป็นนมผสมข้าวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็หมักอะไรลักษณะไหนเนี่ยกินแล้วก็จะทำให้มันคลายพิษในท้องตรงนี้ไปได้แล้วก็แสดงว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นยามีคุณสมบัติที่จะทาให้เราระงับเวทนาบางอย่างได้อย่างนี้ซึ่งนี้ อันนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับว่าบางคนชอบกินอะไรบางอย่างบางคนไม่ชอบกินอะไรบางอย่างนะตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่ว่าถ้างั้นเราจะกินแต่ของที่เราไม่ชอบอย่างนั้นหรอของที่เราชอบกินได้ไหมนะแต่เราจะกินได้เนี่ยกินได้ปริมาณเท่าไหร่นะทีนี้นเด็นของคนธรรมดาเนี่ยที่เขายังไม่ได้มีการฝึกนะคุณตะแจ๋เขาก็าจะกินอย่างไม่อั้นเลยอันไรชอบกินมากที่สุดแล<ช>นะนะกินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้พิจารณาว่าเวทานานั้นมันดับไปหรื อ, อยังเวทนาคือ คื อ, อความอยากในในสิ่งนั้นเนี่ยมันดับไปหรื อ, อยังนึกนื้อออกเนาะนึกออกเนละยค่ะอ่าทีนี้พอเรากินไปพอที่จะดับเวทนานนั้นไปได้แล้วคุณควรหยุดนะคุณไม่ควรจะต่อชามที่สองชามที่สามเพราะว่าเวทนานั้นมันดับไปแล้วค่ะอ่าแค่นั้นเองนี่คือเพื่อระ ง, งับเวทนาเก่าแม้แค่คําเดียวเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งนะอือเจ้าค่ ะ, คะเหมือนตอนที่เวลาโยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโศกนะเจ้าค่ะอาจารย์ก็จะติด ประกาศไว้ว่าการรับประทานของเราเนี่ยให้พิจารณาว่าทานเพื่อให้มีชีวิตอยู่ที่จะปฏิบัติธรรมถูกไหมเจ้าคะ่ะใช่โดยการทําให้เวทนาเวทนาของเราเนี่ยหมดตายแต่อย่าไปสร้างเวทนาใหม่เออเจ้าค่ะใช่ที่อันนี้โยมก็ได้กลับเดินถามพระอาจารย์ก็ได้รับทราบตรงนี้แล้วเจ้าคะ่ะว่าบางทีเป็นความจริงอย่างเราไปทานบุฟเฟ่หรืออะไรอย่างนี้เจ้าคะ่ะก็จะทานเข้าไปซะจนเยอะจนกระทั้งจุกอิดาดไปหมดเลยล ก, การสร้าง เวทนาใหม่ขึ้นมาเจ้าค่ะความอยากของเราเจ้าค่ะใช่ทีนี้ผัสสะตรงนี้เนี่ยนอกจากผัสสะทางทางลิ้นแล้วนะทางทางท้องทางกายแล้วเนี่ยยังมีผัสสะทางตาด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยตมามีนิสัยอย่างนี้สมัยตอนเป็นครว่าตนะเอาความชั่วของตัวเองมาเปิดเผยอย่างหนึ่งคือว่าเราเป็นคนที่ถ้าไม่หมดเนี่ยไม่เลิกกินอต้องหมดต้องหมดคือในอาหารทุกโต๊ะเนี่ยถ้ารับประทานร่วมกันเนี่ยต้องหมดหมดแล้วถึงพอต่อให้อิ่มแค่ไหนเนี่ย คือเปรบเสมือนเป็นทางขยะของโตอาหารใครไม่หมดอะไรมาใส่ที่เราหมดเราหมดหนดกิน ท, กทุกอย่างหมดเลยเนี่ยจนกระทั่นะ ง, ทงมาบวชเป็นพระนะก็ยังติดนิสัยอย่างนี้ว่าเอาอาหารมาใส่ในบาตรเนี่ยต้องกินให้หมดบาตรแล้วท<า>ั้งบันบ <า S 1> ทีบาทมันรเริ่มเลยนะคุณเฉินใจแล้วมื่อใส่อาหารไปเยอะเนี่ยอา ย, ยาตายแล้วทีนี้ทําไงละ่ะ <c oughs> กินเข้าไปกินไม่หมดอนะ่ะก็ต้องพยายามใส่เข้าไปโอ้ทบางทีมันไม่ไหวก็ต้องพอหลังจางเรามาฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วเราพบว่าเออเราก็รับประทานเท่าที่เราพอ เราเวลาเราตักที่หลังเราก็ตักเท่าที่เราพอนะพอที่จะกินได้แล้วก็ไม่เหลือมากนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ากินหมดจนกระทัง ข, อ, งขอดบาทนี่ก็จะผิดผิดอาบัตของพระอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วเราก็จะไม่ตักน้อยจนกระทั่งต้องกินขอดบาทแล้วก็ไม่ตักมากจนกระทั่งกินเหลือเยอะๆอย่างนี้นะเจ้าค่ะ เ, เราก็ไม่ตักมากจนกระทั่งถ้าเรากินหมดแล้วเราก็จะต้องอึดอัดอย่างนี้เราก็จะไม่ทำํำคือบางคนมีนิสัยอย่างนั้นจริงๆคืออาหารไม่ว่าจะอร่อยไม่อร่อยไม่เป็นไรขอให้หมดไปก่อน นะพคือพอใจในความที่อาหารหมดนะพออาหารหมดแล้วพอใจแล้วสบายใจละนั้นเป็นผัสสะอย่างหนึ่งของเขาอย่างนั้นเป็นเวทนาอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันนะซึ่งถ้าเขาละเวทนาตรงนี้ได้แล้วมาพิจารณาแค่เวทนาคือในท้องของเขาเวทนาคือความที่ให้เวทนเาเก่าดับไปขึ้นเนี้ยก็จะจะทำใ ห, ให้ให้การรับประทานของเขาเป็นอย่างดีได้นะ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องกา ร, รับประทานอาหารเนี่ยคือต้องการจะแค่พูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าคนอยากกินอาหารประเภทนีนะ้การอยากของเราตรงนี้เป็นตันหารหรือไม่นะก็ต้องอธิบายถึงผัสสะแล้วก็เวทนาตรงนี้ให้ฟังว่ามันไม่เป็นตันหานะคือเป็นแค่ระ ง, งับเวทนาเก่านะแล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นนะเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราอยากกินอาหารบางประเภทที่เราชอบเรารับประทานได้ นะเพื่อระ ง, งับเวทนาอันนี้เป็นไปได้น ะ, ะอาหารประเภทที่เราชอบอาหารประเวทที่เราชอบนี้ก็คืออะไรอันนี้เป็นตันหาหมันะ้ยไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการถูกท้าทกับร่างกายของเราเ อ, าอ่าอหลายหลายๆคนเนี่ยเป็นคนสมัยโบ ร, ราณหน่อยที่อายุสี่สิห้าิบขึ้นไปเนี่ยเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปกินสเต็กกินอาหารอะไรที่มันไม่ใช่ข้าวเนี่ยเขาจะเขาจะไม่อิ่มเขาจะรู้สึกว่ายังเหมือนกระขาดอะไรอยู่อือันนี้มีหลายๆคนก็เคยพูดอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็เคยได้ยินว่า อย่างคนจีนคนอะไรเนี่ยเวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวเนี่ยเขาก็จะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุข ต, ต้องมีข้าวทุกมือ้อเขาถึงจะอยู่เป็นสุขกินได้ทำงานต่อไปได้อย่างนี้เหมือนกัน ค, คือถ้าคนสมัยแหมอาจจะไม่รู้ข้อมูลนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นปกติดีเนาะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ ฝึกมาแบบแบบเข้มเข้มงวดเหมือนสมัยโบราณนะเจ้าคะว่าคนเอเชียก็ต้องทานข้าวฝรั่งก็จะต้องทานขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะคือบางทีความเคยชินมันไม่เหมือนกันคือบางทีเด็กสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็กินข้าวกินขนมปังกินอะไรมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมให้ความเขาเรียกว่าถูกทาต์ในข้าวของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยที่เป็นพ่อแม่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นต้นเด็กๆกัไปถูกทาท์ในพิซซ่ากับไปถูกทาท์ในอาหารฝรั่งอย่างเงี้ย นะเพราะนั้นถ้าตัวเองไม่ได้รับประทานอาหารอย่างที่ตัวเองถูกธาตุเรนะก็จะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายมีเวทนาอยู่ในกายที่เวทนานั้นยังไม่ได้ดับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกนนารพิจารณารับประทานอาหารนะเราควรจะรับประทานอาหารที่ถูกธาตุได้นะถูกธาตุก็คืออาหารที่เราชอบนั่นแหละนะชอบแล้วรับประทานยังไงที่คําว่าถูกธาตุเนี่ยก็คือแค่ให้เวทนานั้นมันดับไปให้เวทนานั้นมันดับไปพอเป็นที่สบายแค่นั้นเองนะไม่ได้กินจนกระทั่งว่า โอ้โหเพลิดเพลินกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาอ่นนี้ไม่ได้ น, น, นะเราควรจะรับประทานอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องความอยากไม่อยากในการรับประทานอาหารนะคุณไปกินอาหารที่คุณร้านที่คุณชอบได้ไปเลยนะกินพอประมาณที่จะให้ไม่ร่างกายระ ง, งับเวทนาได้ทีนี้บางคนเป็นอย่างนี้คุณเดินใจไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเวทนาในร่างกายฉันอยู่ตรงไหนคือบางคนถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่รู้ว่าจุดอิ่มของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ไหนน ะ, ค, ะคือมารู้สึกตัวอีกทีก็นี่ลิ้นปีแล้ว จุกไปแล้วจุกไปแล้ว<ช>หรือ <c oughs> ว่ามันยังไม่หมดหรือมันใกล้จะหมดเท่านั้นเองใค <c oughs> นะคือกินไปโดยที่ไม่รู้รู้ตัวว่าเอ๊ะนี่มันอิ่มหรือยังเช่นอิ่มหรือยังจริงๆแล้วอย่างเงี้ยใคะคือฉิทของเราจะต้องจดจ่ออยู่กับความรู้สึกตรงตรงนี้มากๆเลยนะ่ <c oughs> ค่ะเพื่ อ, อมาตัวเองเนี่ยก็ฝึกเป็นปีนะกว่าจะหาจุดสมดุลตรงนี้ได้นะ <c oughs> ว่าเอ๊ะเราจะจะรับประทานยังไงให้ถึงจุดที่เราอิ่มพอดีคือ <c oughs> ถ้าถ้าเราอิ่มมากเกินไปเนี่ยตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยเราจะง่วงนอนทันที อันนี้จะเป็นจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการปฏิบัติของเราอย่างสมมุติคุณรับประทานอาหารที่อย่างเงี้ยคุณไปทํางานที่ทํางานอย่างเงี้ยแล้วแล้วเวลากินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงจนถึงสามโมงเนี่ยเป็นชั่วโมงที่ทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเป็นชั่วโมงที่มีความผลิตผลทางการง า, งานน้อยที่สุดอย่างเงี้ยนะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งจริงจงไม่ถูกไงเราควรจะรับประทานยังไงที่เราจะรู้ได้ไงว่าไอเวทนาในร่างกายของเราเนี่ย มันมันดับไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันมันเกิดขึ้นหรื อ, อยังมันดับหรื อ, อยังอันนี้คุณต้องสังเกตให้ดีแล้วคนที่รับประทานอาหารเนี่ยจิตของคุณจะไปอยู่ที่ลิ้นไม่ได้เลยจิตของคุณจะต้องอยู่ที่ท้องเนี่ยเพื่อให้รับรู้ถึงจุดที่อิ่มตรงนี้อืมค่ะอันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองนะเจ้าคะ่ะใช่ใช่ที่พระอาจารย์ได้สังเกตก็ใช้เวลาเป็นปีใช่ไหมเจ้าคะ่ะกว่าจะชินเอ่อคือคืออะไมามีความเคยชินของตัวเองที่ ที่เป็นนิสัยที่แก้ยากนิดหนึ่งนะเลยต้องใช้เวลาเป็นปีคนห น, น, นึ่งเขาก็อาจจะฝึกไม่ถึง <S <S อ่าทีนี้เรื่องเรื่องการกินมีอีกประเด็นหนึ่งนะคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บที่ว่าบางทีการระ ง, งับเวทนาเก่าเนี่ยเพื่อที่จะอาหารบางประเภทระ ง, งับเวทนาบางประเภทอาหารบางประเภททำให้โรค บ, บางอย่างดับไปอันนี้คือกินอาหารเนี่ยเพื่อให้เป็นยาด้วยเหมือนกัน ในะอย่างครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านก็สอนไว้บอกเอาไว้ว่าให้รับเวลารับประทานอาหารเนี่ยให้รับประทานเหมือนกับเป็นยานะคืออาหารอันไหนมันถูกธาตุอันไหนดับอันไหนแล้วก็กินให้มันเป็นยามาถึงจะถูก <S 2> <S 2> อ, าาอย่างบางอย่างของทอดอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วอาจจะทําให้ระบบการย่อยไม่ดีคุณก็รับประทานน้อยหน่อยหรือไม่ต้องรับประทานจ้าอาหารบางอย่างเช่นผักบางอย่างเนี่ยกินเข้าไปแล้วจะทําให้โรคบางอย่างหลั่งเไปเรากินมากหน่อยอย่างนี้ กันเองกินให้เป็นยาอือเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการใช่เจ้าค่ะคือคือเรื่องเวทนาในกายอันนี้ที่หนึ่งนะไม่ให้เวทนาให้เวทนาเก่าดับไปให้เวทนาใหม่ยัง ใ, ให้เกิดขึ้นมาในะอย่างที่สองคือเรื่องของโรคอาการที่เป็นโรคนะกินอาหารประเภทไหนที่ทําให้โรคมันหายไปหรือกินอาหารประเภทไหนที่มันไม่ให้โรคใหม่มันขึ้นมานะอันที่สามคืออาการหิวตอนบ่ายแต่ยังประสงค์นี่มีปัญหามากเลยคือกินมื้อเดียวเนี่ยใช่ไหม ตอนเย็นๆเนี่ยมันจะท้องมันจะเริ่มกรุดกราดกรุดกราดละมันจะเริ่มออกอาการละพวกพยาธิต่างๆมันจะเริ่มทํางานนะทำยังไงพระที่ปวดใหม่นะใช่ใช่ค<ๆ>าวามานี่เขาไม่มีปัญหาเลยนะพอ ก, กรุดกราดขึ้นมานะเขาก็ไปกินเลยออืเขาก็ไม่แคร์อะไรมันก็กินได้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่พระนี่ไม่ได้นะมีสิ่งคุ้มอยู่เห็นพระสงฆ์ทํายังไงแล้วมารู้ข้อมูลนี้ได้ก็ต้องโหเป็นนานหนักว่าจะเราจะมาปฏิบัติก็คือว่าเราต้องเคียวละเอียดละเอียด นะ้พระเจ้าเคยตรัสเอาไวา้นะว่าถ้าเราเคี้ยวตัวพระองค์เองเนี่เคี้ยวละเอียดนะคือไม่มีเยื่อข้าวอันไหนที่ไม่แตกเนี่ยกลืนล่วงป ร, นะระตามคอเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อ น, นี้จึงเป็นที่ให้พระสงฆ์นี่ควรทําด้วยนะเคี้ยวให้ละเอียดละเอียดนะเพราะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นิด น, นึงก่อนที่เราจะจบรายการก็คือว่าในในร่างกายของเราเนี่ยไอ้น้ำย่อยเนี่ยที่ใช้สําหรับย่อยคาร์โบไฮเดรตคือข้าวเนี่ยนะจะมีอยู่ในน้ําลายเท่านั้น แต่เพราะฉนั้นถ้าเราเคี้ยวแค่สองสาคำแล้วกลือเลยเนี่ยปริมาณน้ําลายที่เข้าไปในท้องเนี่ยมันจะไม่มากพอปริมาณน้ําย่อยที่จะย่อยคาร์โบไฮเดรตได้เนี่ยจะไม่พอเพราะะนั<ช>้น <sant> ทำให้ประสิทธิภาพการย่อยเนี่ยลดต่ําลงทําให้ปริมาณอาหารที่ไปดูดซึมในร่างกายเนี่ยมีไม่พอแต่ถ้าเราเคี้ยวละเอียดละเอียดแตนะปริมาณน้ําลายมีมากพอการย่อยยมีประสิทธิภาพอาหารเข้าไปในร่างกายเพียงพอเนี่ยจะทําให้ร่างกายไม่รู้สึกหิวก็ใช่ไหมคือจะอิ่มนานว่างั้นเถอะคือจะจะไม่จะ รู้สึกท้องว่างอยู่แต่จะไม่รู้สึกโหยไม่รู้สึกอยากอเจ้าแต่ถ้าคนที่เคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยท้องก็ว่างด้วยโหยด้วยแล้วก็อยากด้วยอจ ะ, จะเป็นคนละแบบกันเน า, าะด้วยเหตุนี้มั้งเจ้าค่ะที่ว่าเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยบางศาลที่ก็มักจะให้เราแบบเเหมือนกับพิจารณาว่าอรถหนอรถเนาะอย่างเงี้ยเวลากินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ, อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะทําให้ เราเนี้รู้สึกว่า เ, าเคี่ยวให้ละเอียด<ช>แล้วก็ได้พิจารณาด้วยนะเจ้าคะใช่ใชอันนี้ก็สามารถทําได้อยู่<อ>นประเด็น ค, คือต้องมีสติต้องรับรู้เวทนาของตัวเองอยู่เรื่อย<อ>นะเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพภูณีพิพุธ์ น, นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ของเราได้สรุปท้ายเลยเจ้าค่ะสําหรับเรื่องของการตัณหาความอยากการกินโดยเฉพาะเรื่องของการกินเนี่ยเจ้าค่ะก็คือว่าเราต้องรับประนานเพื่อระงับเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นอย่าเป็นธาตุของปาก แต่ให้พิจรารณาถึงเวทนาอยู่เรื่อยๆแล้วเรามาทําความเข้าใจตรงนี้จะทให้เราไม่เป็นทาตของปากนะเป็นทาตุของอยู่ในธรรมะได้อย่างงี้เจ้าค่ะก็คือพิจารณาว่าในการกินอาหารของเราแต่ละวันแต่ละมื้อนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้เราอ่ามีชีวิตคงอยู่ได้ได้เจ้าค่ะแต่ว่าไม่ใช่กินเพื่อที่จะสนองความอยากของเราซ้าเกินนี้สุดนะเจ้าค่ะใค่สาธุเจ้าค่ะท<ม>ําทได้ที่ก็ คงจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะถูกต้อง <c oughs> สาธุเคะ่ะสาธุเพืฟังค่ะเราก็ได้สนทนาธรรมะนะคะในเช้า ว, วันนี้คือเช้า ว, วันเสาร์แรกของเดือนเมษายนดิฉันคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ให้แง่คิดเกตเพื่อนเพื่นอนชาวบ้านหลายท่านทีเดียวคะ่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอยากจะรับป ร, ร, ระทานนู่นรับประทานนี่นั้นเนี่ยพระอาจารย์เทียนบูในพิพิณโอพระอาจารย์ของเราก็ได้มาสาธะช้า ให้ฟังแล้วนะคะว่าเราควรจะทําทตัวหรือว่าทําจิตอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการาความอยากระงับความอยากในเรื่องของการกินของเราทั้งนี้เพื่อประโยชน์กับสุขภาพของเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะดำรงชีวิตต่อไปโดยไม่มีโรคไตเบียดเบียนนะคะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฝังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณแล้วก็กราบนมัสการลาพระพอาจารย์พิบูลนภิพุโน พระอาจารย์ผู้นวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธวจนะของวัดป่าดอนไห่โฉกกัแล้วนะคะซึ่งวัดป่าดอนไหโฉกนี้ก็มีพระเดชพระภูหลงพอ่อท่านต้นสะอาดทีตกพโสดหรือท่านพระครูสุทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยนะค ะ, ะตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไหโฉกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะ่ะเราก็จะกลับมาพบ ก, กันในวันพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยฉันก็จะได้นําเรื่องที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็ได้กล่าวแล้วว่า วันนี้เราพูดเรื่องของการกินแต่พรุ่งนี้จะพูดถึงเรื่องของคนที่อ่ากินหรือว่าเสพอะไรจนทั้งติดมากๆนี่จะแก้ไขอย่างไรในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะขอกราบน้ำพัะสการลาเลยนะเจ้าคะสาธุเชิญผ่านสาธุเจ้าค่ะ